ชีวิตที่ตื่นขึ้นมากลายเป็นของเราไหมไม่ใช่อะไรรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกลมันจะใกล้ไกลอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในภายนอกไม่ใช่ของเราซะาอันนะรูปภายในคือรูปกายรูปภายนอกคือรูป ความคิดรูปภายในก็คือรูปความคิดรูปของความปรุงแต่งรูปภายนอกคือรูปกายร่างกายอันนี้เนี่ยเป็นอดีตก็ตามสมัยยังเด็กก็ตามผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามหรือปัจจุบันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ณนะจุดนี้เนี่ยรูปก็เป็นอย่าง น, นี้ความคิดก็เหมือนกันความคิดที่เป็นอดีตที่ล่วงเลยผ่านมาแล้ว ก็ดับไปแล้วหรือรูปของความคิดที่เราคิดขึ้นณปัจจุบันนี้ก็ตามมันไม่ใช่ของเราเหตุเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่เรายึดมั่นถึงมันว่ามันเป็นของเรานะถ้าสังเกตดูถี่ในรายละเอียดเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นเป็นก้อนทุก อันหนึ่งที่หมุนไปเรื่อยๆนั่เราจะมายึดมั่นถึงมันว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคนนั้นเป็นเราคนนี้เป็นเราคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นเนี่ไม่ใช่นะมันเป็นของมันเองแบบนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของของเราเนี่ย เมื่อ น, นั้นเราเริ่มทุกข์ทันทีเรามีความทุกข์เพราะเราเห็นผิดเห็นรูปว่าเป็นของเรารูปกายนี้เป็นเรารูปของคนอื่นถือว่าเป็นของเราในวิจนาก็เหมือนกันวิจนาความพอใจไม่พอใจกับรูปรสกลิ่นเสียงเขาเรียก่าเป็นวัตถุกามเกิดขึ้นแล้วก็ติดมันซะลงไหลพอใจในมันก็ ค, คิดว่าเป็นเราองและ เป็นเราแล้วทำไมมันมันทำอย่างใจไม่ได้อย่าคิดได้ไหมอย่าปรุงแต่งได้ไหมอย่ากโกรธโลภหลงอย่าเน่าเปื่อยผุพังให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นมันก็เป็นไปไม่ได้นะพนระนักเสศนเคยถามพระยามิลินนะถามว่าท่านคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตน แล้มาพึงเปรียบดังนี้ว่าท่านมีตําแหน่งอะไรอาชีพอะไรว่าข่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ต้องมีอะไรบ้างโอ้มีประชาชนมีแว่นแคว้นเป็นของตัวเองภายในอาณาจักรนี้ข้าพระเจ้ามีอํานาจหมดนะข้าพระเจ้าจะฆ่าใครก็ได้คือเอาใครมาลงโทษก็ได้จับก็ได้ประหารชีวิตก็ได้ที่ดินนี้จะแบ่งให้ใครอยู่ใครอาศัยอะไรก็ได้ อยู่ในอำนาจของพระราชานั่นเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราเป็นขององเรามีอำนาจเหนือทุกอย่างแต่เมื่อไรก็ตามที่เราหลงว่ารูปนี้เป็นของเราเราก็น่าจะสั่งมาได้เหมือนเราเป็นไว้เจ้าแผ่นดินนั่นแหละเราครอบครองอาณาจักรไปถึงไหนเราเป็นคนสั่งได้บอกได้แนะนำเลยว่าเอออันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเรา เรายึดมั่นถือมันว่าไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือจะให้ใครอยู่ใครตายก็ทำได้ทั้งนั้นเนะเพราะมันเป็นของเราไงเราเป็นพระเจ้าแปนดินเราเป็นคนดูแลแต่ร่างกายนี้กับไม่เป็นแบบนั้นนะสังขารนี้ไม่เป็นแบบนั้นวิญญาณวิญญาณความรู้การรับรู้ถ้าไม่มีการรับรู้แล้วก็หมดนะสภาพ วิญญาณเขาแปลว่าความรู้แจ้งวินวินี่ยแปลว่าแจ้งนะี่ยญาณความรู้วิญญาณเขาก็เลยเป็นการความรู้แจ้งแต่แปลให้เข้าใจของเราที่ปฏิบัติทํานี่ก็จะหมายถึงการรับรู้วิญญาณเนี่ยวิญญาณทางตาดับหายไปแล้วตาบอดเนี่ยการรับรู้ทางตาก็หมดไปทั้งหูการรับรู้ทั้งหูถ้ามันดับไปมันหนวกก็ไม่รับรู้วิญญาณทางหูดับไป ก็เหลืออยู่สองสามวิศีวิญญาณนั้นตัววิญญาณความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งกะ็ะทำรู้เรื่องอะไรแล้วเป็นทุกข์เพราะอนั้นน่ะท่านบอกให้เห็นชอบตามความเป็นจริงนะอย่างนี้ว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาวะที่มันไม่มีตัวตนเป็นภาวะที่ใครจะเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันเกิดแล้วก็ดับโดยธรรมชาตินะ เราจะไปยึดมันไม่ได้เลยไปยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะไปยึดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนฟองสบูเ่เนี่ยเราเห็นมันสวยงามเป็นรูปนั้นรูปนี้เราก็ยึดมันแต่สักพักก็แตกไปถ้าเรามองเห็นว่าธรรมชาติมันเนี่ยเราไปจากแจ้งเกล่ยใจในวัตถุมันเกิดแล้วมันต้องแตกเกิดแล้วมันต้องแตกมองผลไม้มะม่วงเห็นอะไรก็ตามเนะีะ มันอยู่ภายในเวรีะเวลาเท่านั้นวันเท่านี้วันเสร็จปุ๊บมันก็เน่าเนี่ยเน่าคืออนัตตามันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผุดออกมาจากจิตเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าอืมมันเน่าเป็นนะ่ะมันเน่าได้มันไม่มีอะไรที่เที่ทยงแทถาวอลเลยสักอันะคือเรามองอะไรมองด้วยปัญญามองด้วยปัญญามองสังเกต คือมีสัมมาทิฏฐิต่อทุกเรื่องทุกอันแล้วเวลาความความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นทุก์เนี่ยมันจะไม่ค่อยทำร้ายให้ถึงกับเป็นทุกมากถ้าเรามองเป็นแบบอนัตตานะทุก อ, อย่างก็เป็นแบบนั้นแหละเป็นของมันนั้นมันจึงไม่สมควรที่ว่าเราจะเป็นเจ้าคอบเจ้าของชีวิตนี้ก็ไม่ได้ กระตัวเราเป็นเจ้าของชีวิตเป็นตัวเองไม่ได้และจะเป็นเจ้าของชีวิตคนอื่นได้หรือลูกของเราผัวของเราเมียของเราทรัพย์สมบัติของเราประชาชนคนของเราลูกศิษย์ลูกหาของเราอะไรประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นมันไหลไปแบบนั้นแต่และตัวก็คือสังขารสังขารก็ต้องการมีพื้นที่ในการปรุงแต่ง ต้องการคำยกย่องคำเยินยอสเสระเินความเพลิดเพลินความสนุกสนานไปเรื่อยจนกว่ามเมื่อใดนั่นแหละที่มันเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยต้องวางมันก็หยุดการแสวงหาหยุดการแสวงหาคาว่าหยุดการแสวงหาในที่นี้หมายถึงหยุดดูหยุดเห็นหยุดเป็นหยุดมี ไม่สําคัญมติหมายในความเป็นผู้รู้หรือผู้ไม่รู้นะเห็นทุกเห็นสุขเป็นเพียงนาการที่มันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอารมณ์เป็นแบบนั้นนเราส่องสังเกตดูดิสอดส่องดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยความทุกข์ในมันมาแล้วมันก็ไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไป วัตถุสิ่งของบุคคลก็เป็นแบบนั้นนะเขาเรียกว่าวัตถุรูปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะสุขเป็นอยู่อย่างนั้นทุกข์เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนเราไปในตลาดนะของเขามีเข้าผ่านมาให้อันนั้นก็เกิดขึ้นนี้ก็เกิดขึ้นเราไปหลงสำคัญมันหมายในความเป็นเจ้าของของวัตถุสิ่งของทั้งที่ เป็นไม่ได้แต่เรายึดเอาเมื่อไหร่เราดูสักพักมกันก็เน่าเบื่อยผุพังไปแต่คนทั้งหลายก็จะหลงรูปหลงรสรู้สึกว่าเอออาการมันมีมันต้องไม่เกิดความสุขในเวทนาชอบเพอชอบก็ไปยึดเอาเวทนานี่เราก็สร้างสังขารขึ้นมาเพื่อจะสวยเวทนานิดๆห น, น่อยๆแล้วก็ดับไปก็หาสังขารปัจจัยขึ้นมาปรุงแต่งสวยเวทนาสุขน้อยๆไปก็ดับไปต้องมีความเพลิน นะความเพลินเพลิดเพลินในสิ่งที่เขาเรียกว่าการมเมคุณเนะี่ยเพราะเหตุว่าเราไม่แจ้งเรื่องอนัตตานะอดีตเราก็ยังมีความพอใจความหลงไหลเวลาเราเดินจกกงกรมัก็จะมีความเพลินกับอดีตนะความรู้สึกเราเนี่ชอบอดีตอดีตขึ้นมาเราก็ปรุงแต่งมันไปอนาคตเกิดขึ้นเราก็อยู่กับความปรุงแต่งเรื่องอนาคต ปัจจุบันราลึกรู้อยู่ปัจจุบันเราก็ไม่สะอาดพอนะตัวปัจจุบันเนี่ยเราสังเกต ด, ดิแม้แต่เราอยู่ปัจจุบันมันก็ยังไม่เกิดปัญญาทำให้จิตมันโล่งมันโปร่งมันสบายขึ้นมานันก็หาความเป็นสัพเพะในชีวิตไม่เห็นนะแล้วมีแต่ความสัพเพะข้างนอกอาหารอากาศบุคคลแต่เราไม่เห็น ความสัปยยะจากข้างในมีแต่ความยุ่งเหยิงมีแต่ความสับสนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นภาวะแบบนั้นนะเพราะว่าความว่างมีสังเกต ด, ดูใจนะความว่างมีแต่ว่าความวุ่นวายสับสนเนี่ยพอเราไปยึดเอาความไม่ว่างมันอยู่กับความคิดความปรุงแต่งอาจจะเป็นเพราะทำอะไรที่มันนานๆสังเกต ด, ดูดิ เนั่งปฏิบัติทำไมให ม, ใหม่ไม่ง่วงไม่เงานะแต่เพราะทำไม่ถูกเนี่ยเพราะทำไปสักพักนานเข้านั้นเข้าจะเกิดมีความสําคัญมรรหมายอยากนะอยากเป็นไม่อยากเป็นอย่างเนี้ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างเนี้ยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นมาทันทีสักพักมึนศีษะนะมึนหัวทีแรกทําสักชั่วโมงไม่เป็นไรเพราะขายับไปจน จากนั้นไปเป็นอีกแล้วมึนหัวปวดหัวปฏิบัติทำด้วยตัวตนี่เป็นอย่างเงี้ยมอนหัวมอนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเอาจริงเอาจังกับมันมากก็จะเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังก็มันมากก็เป็นพวามเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในพรหมจรรย์ทีจริงพรหมจรรย์ น, นี่มีปีติมีสมาธิ อยู่ในตัวมีมักมีผลในตัวนะเหมือนเราสวมแหวนนะยิ่งสวมก็ยิ่งงามยิ่งสวมก็ยิ่งงามแต่บางคนยิ่งสวมก็ยิ่งขี้ลายนะยิ่งสวมก็ยิ่งไม่งามจะรู้สึกว่าอึอดัดขัดเคืองเบื่อหน่ายเอาชีวิตที่สวมใส่ด้วยสติสวมใส่ด้วยสมาธิสวมใส่ด้วยปัญญาอึดัดไหมคนไม่รู้ก็อึดัดอึดออัดที่ต้อง อยู่กับปัจจุบันเพราะจิตมันโลดเล่นอยู่กับอนาคตโลดเล่นอยู่กับอดีตมันยึดมั่นหรือมั่นเอาความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเอาเข้ามาเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของบุคคลอื่นเจ้าของสถานที่เจ้าของทรัพย์สมบัติอะไรประมาณเนี้นั้นจึงอยู่แบบคนที่ไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นสวยอารมณ์ ง่วงก็อย่าเสวยอารมณ์ง่วงนะขี้เกียจก็อย่าไปเสวยอารมณ์ขี้เกียจคือทำใจให้มันว่างๆอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจปรุงแต่งอย่าให้อดีตมาปรุงแต่งใจอย่าให้อนาคตเป็นตัวชักลากใจวันวันหนึง่งอา้าวลืมตาขึ้นมาอยู่กับใจที่ว่างๆ ทีนี้ใจว่างๆก็ไม่ต้องไปทํามันนะฝึกสติเฉยๆนะและลึกรู้เฉยๆถ้าเราละลึกรู้สติมันมาเองสติจะเป็นตัวดูแลจิตของเราเองถ้าสติไม่ดีจิตมันก็ไม่พลอยไม่ดีไปด้วยนะถ้าสติดีจิตจะดีสติคือความรู้ตัวจิตก็คือสภาวะที่รับรู้อารมณ์แล้วมันรู้ตัวได้ด้วยนะจิตเนี่ยเป็นอาการของจิตไปนหนึ่งรูป ปรมัตคือรูปของอืความคิดที่เข้ามาเนะี่ยสติความรู้สึกตัวที่เป็นการกําหนดรู้แล้วมันไม่ดับก็มไม่ใช่สติแบบปรมัตเราก็ต้องพึงรละลึกรู้ระลึกรู้ตัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความตั้งมัน่นสติสัมปั ญ, ญญาเนี่ยบางทีมันก็เป็นสติแต่มันไม่เป็นสัมปั ญ, ญญาให้เราก็พยายามทำให้มันเป็นสัมปญญาคือให้มันรู้ตัวทั่วพร้อมทุก เกิดตรงไหนรู้ตรงนั้นระดับพร้อมไปกับการรู้อันนั้นทุกเกิดทางตาเห็นมัน เ, เริ่มเกิดแล้วเห็นมันก็ดับไปทุกเกิดทางหูทางจมูกทางกายหรือแม้กระทั่งว่าทุกที่เกิดจากความคิดนะมันเกิดขึ้นมาแโอ้เรารู้รู้มันก็ดับไปความทุกขนะ์เน่ยเป็นอ น, นิจจังทุกขังนาตาพร้อมกับความรู้เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนะ่ะ เรารู้ตอนไหนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปกับความรู้อันนั้นทันทีอย่างนี้นะี่ยจะเป็นปัญญาความรู้อันนั้นแต่ถ้ารู้แล้วไม่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกันเนี่ยแสดงว่ามันจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณเป็นภพเป็นชาติไปทุกมันก็จมมันทำร้ายเรานั้นทํำยังไงเราจึงจะเห็นภาวะของกฎธรรมชาตินะ เกิดขึ้นพร้อมกับสติการรับรู้อันนี้ได้มีรูปเกิดขึ้นเรารู้รูปก็เป็นอันิีจังทุกขังนัตาดับทันทีเนะวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเห็นปุ๊บก็เอาเป็นอันิีจังทุกขังนัตาในเวทนาในสัญญาเกิดขึ้นก็ทุกขังอันนีจังนัตาในสัญญาสังขารก็อนิจังทุกขังนัตาในสังขารวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นมาก็รู้ ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันพุดออกมาเราปรุงแต่งมาก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะ <S <S ถ้าเรามีอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่การรับรู้นี้ตลอดเวลาเรื่อยๆอย น, อยนี่เราก็บอกว่าธรรมะปรากฏกับจิตเราตลอดเวลาเองเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วปรากฏกขึ้นแล้วเราเห็นแล้วเื่ออ น, นิจจังเกิดขึ้นมาดับไป มันก็ไม่มีทุกที่จะไปเกาะเกี่ยวทุกันเพราะว่าเป็นกฎสัจธรรมที่เข้ามาดูแลจิตใจจิตชีวิตเราถ้าเรากดสมมุติธรรมเข้ามาเนี่ยทุกเลยเอาสมมุติธรรมเข้ามานี่มันจะทุกเนียมันปรุงแต่งมันจะยืดยาวแก้ไขไม่ได้แต่ว่ามันก็จะดับของมันเองมันเกิดมาเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองเกิดมาเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองแต่เมื่อใดที่จิตเรายึดเราจะไม่อยากให้มันดับ พอมันดับไปแล้วก็ค้นหาอีกดับแล้วค้นหาอีกก้นหาอีกนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องที่อยู่ที่อาศัยพวกเนี้ยเสื้อผ้าเครื่องุูงห่มเสนาสนะอะไรจิตมันจะหลงเข้าไปในนั้นทันทีหลงเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์มันนี้แล้วมันก็ติดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนต่เวลาเราเจริญสติจิตมันจะล่วงจะโปร่ง จะสบายไม่มีตัวตนนะเป็นพบเป็นชาติที่ต้องไปเกิดอีกนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายึดเอาความว่างเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่างนี่ต้องเอาให้ได้ต้องมีจะเริ่มมึนหัวอีกละนะเริ่มมึนที่สะเพราะเราไปยึดเอาสติความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวตนยึดเอาความคิดเป็นตัวเป็นตนยึดเอาความว่างเป็นตัวเป็นตนเพียงเพื่อรู้ จริงๆในเพียงเพื่ อ, อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกเราระลึกรู้เฉยๆแล้วลึกรู้เฉยๆเอาระลึก ร, ร, ล ร, ร, ลรู้เฉยๆไม่เข้าไปในมันรู้เห็นแล้วป่อยมันดับไปรู้เห็นแล้วปล่อยมันดับไปตัวทดสอบได้อียดที่สุดคือตัวง่วงนี่แหละเวลาเข้ามาเป็นไม่รับรู้เฉยๆคนมันชอบเนี่ยยินดีในมันยินดีในความง่วงความคิดเนี่ยยินดีในความคิด ความคิดก็มาจากในไม่ใชกวิญญาณนะท่านการที่จิตเรายังติดสมมุติอยู่เนี่ยเวลามันผัสสะปรุงทันทีปรุงด้วยอํานาจของความเป็นตัวตนเราเราับรู้ด้วยจิตเราที่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่มันก็ต้องเป็นตัวเป็นตนแบบนั้นเน่ยเว้นไว้แต่ว่าสติเรามีเราดีปัญญาเราเกิดอยู่ข้างในมีส ม, มาธิติพอเราทบผู้ผัสสะมันก็กลายเป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาทันทีนั้นอยากให้มันมีอยู่ในทุกสภาวะทุกอันเวลาเราทําเนี่ยยืนเดิน น, น, น, นั่งนอนทํำโน่นทำนี่พยายามให้มันมีเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้รักษาชีวิตเราเองชีวิตคือความเป็นอยู่ซึ่งมันประกอบด้วยรูปกับนามเนี่ยทีนี้ทํายังไงมันจึงจะอยู่ได้ต่อเนื่องบางคนอยู่ด้วยการฟังถ้าได้ฟังเอาเหมือนอยู่ได้ถ้าไม่ฟัง อยู่ไม่ได้เก็เรียกว่าปัญญาพกผ้าเวลานั่งฟังเหมือนเข้าใจเวลาุกขึ้นก็หล่นหายเนี่ยมันหายมันตกออกไปเองเราก็ต้องทำไมทำไมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆถ้างาปัญญาอยู่เรื่อยๆทีนี้มันจะเกิดไหมต้องดูดีถ้าเราเอาใตรักนี่มาจับอยู่เรื่อยๆรืยๆกับรูปกับเวทนากับสัญญากับสังขารกับวิญญาณเนี่ย ความทุกข์มันน้อยนะทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นรูปผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันไม่มีอะไรไปมากนอกขนานั้นนะดีขนาดไหนก็ผ่านมาผ่านไปชั่วขนาดไหนก็ผ่านมาผ่านไปเราให้ค่าให้คุณมันว่าเป็นความดีความชั่วเป็นเกิดเป็นดับความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วแต่ดีชั่วอยู่ที่ตัวปรุงแต่งนั่นเอง จะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวปรุงแตง่งนะชอบชังอืมอยู่ที่อุปทานขันดีชั่วยอยู่ที่ตัวอุปทานเวลาเดินไปไหนมาไหนอ้าวดีช่วยอยู่ที่ตัวอุปทานดีชั่วยอยู่ที่ตัวปรุงแตง่งถ้าเราปรุงแต่งก็มังก็เป็นอยู่ที่เรายึดมันม่นถือมั่นก็เป็นนี่แหละนั้นอุปทานขันไม่ให้ทํางานมืนม่อกาลัางจะมีอุปทานตัดออกไปกําลังจะมีอุปทานตัดออกไปกําลังจะปรุงแต่งตัดไป เหลือแต่รู้นะปฐมบทของปัญญาก็คือรู้อย่างเดียวรู้ที่เป็นในเบื้องต้นไม่มปรุงแต่งจิตพอมันปรุงแต่งไปเนี่ยมันทําให้เกิดความเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินเขาเรียกว่าตัณหาเมื่อไใดก็ตามเริ่มเพลินในความคิดจะเริ่มยุ่งละลืมตาลืมตาทางจังหวะเร้งแรงตึง น, นองสาวหรือมเศร้าง่วงอะไรนี่เอื่อยยัง่วงอย่างนี้ละ ก็ไปเราบอกกันเนี่ยเด้อเจ้าเงานอนเฉยเฉยจิ๊กแล้วเนี่ยมันไม่กินใจอย่างเวลาฟังเทศไม่ไมกินใจอะมันไฟกินไม้อย่างเงี้ยถ้ามันกินมันจะขวันอยู่เรื่อยนะใจก็เหมือนกันมีสมาธิปลดปล่อยใจว่างตาแป้วนะมันจะพองใส่เราเห็นว่า ธรรมะมันเริ่มกินกินสังขารนะธรรมะถ้ามันกินสังขารตัวอนัตตาจะปรากฏอยู่เรื่อยๆเรื่อย ๆ, ๆ, ๆมันจะสบายอกสบายใจเห็นรูปก็รูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็เห็นดีน้ําเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็เห็นชัดมันเป็นความชัดเจนสติสัมปชัญญะเราเนี่ยดังนั้นปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะกลับไป ท, ที่ เรายังอยู่กับปัจจุบันนะธรรมคือพยายามระลึกรู้เอาปัจจุบันมาเป็นที่พึ่งเอาสติมาเป็นที่พึ่งนะแล้วเจตนาเนะียใหม่ๆเนี่ยเหมือนเราปลูกต้นไม้นะแหละเจตนาปลูกแต่พอมันติดปุ๊บเอ้ามันเป็นเองมันงอกเองมันหาอาหารเองหาน้ำหาอะไรเองโดยธรรมชาติสติของเราเองก็เหมือนกันนะใหม่ๆต้องกำหนดรู้ต้องประคองประคองรู้ประคองดูประคองเห็น อาศัยสุตะการที้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาเรื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาเรือเป็นอนัตตาเดือเราก็ดูด้วยอนัตตาดูมันเนี่ยดูด้วยอนัตตาเห็นอนัตตาทุกอย่างนะในรูปเป็นอนัตตาไหมเป็นในนามเป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตนานในรูปในนามเราเห็นเป็นอันนี้อย่างเป็นอนัตตาตลอดเวลาจิตมันก็สบายมันก็โล่งโลปร่งไม่ทันได้สุขหรือสุข ก็มีสุขนะแต่ว่ามันไม่เน่าให้สุขของเราไม่เป็นอนัตตานะสุขสบายสุขสบายนะถ้าสุขเราระวังไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ละเป็นสุขเดี๋ยวมันเป็นทุกข์นะมันเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเราหลงสุขซะจนเพลินคือรู้สึกไปพิงเวลาเขาลุกเดินนีนี่ล้มหัวขมำเลยได้ไปพิงเขาอย่าไปพึ่งพิงอารมณ์ถ้าพึ่งพิงอารมณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงล้ม แต่เรารับรู้เฉยๆสุขก็รู้ว่ามันสุขทุกขรู้ว่ามันทุกข์สักแต่ว่าได้ยินได้ฟังทุกอย่างเป็นมายานะสิ่งที่เรากำลังสร้างสรรพัฒนาอะไรต่งางๆเนี่ยเป็นละครเป็นละครบทบาทคนนี้แสดงอันนี้คนนี้แสดงเป็นผัวเด้อคนนี้แสดงเป็นเมียเด้อคนนี้แสดงเป็นคนแก่นะ คนนี้แสดงเป็นคนหนุ่มนะอืคนนี้แสดงเท่าเด้อคนนี้แสดงเป็นคนดํานะคนขาวนะสมมุติทั้งนานส่วนตัวตนที่แท้จริงก็คือสภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งเห็นไหมคนที่เขาไม่แสดงเนี่ยไม่ถูกคนด่านะะถ้าคนที่ไปแสดงปุ๊บเฮ้ยไม่เหมือนขนาดเนี่ยเอาทองมาหล่อเป็นพระเนี่ยแล้ยังติเลยเฮ้ยเฮ็ดโบขว้นะว ทำไม่เหมือนพระพุทธรูปอ๋อันนี้โบคือพระพุทธเจ้าเว้ยอั น, นั้นไม่คือไม่เหมือนทำยังแต่เราเคยเห็นพระพุทธเจ้านะะคนนี้วาดโบคืออันนี้ปั้นไม่เหมือนเนี่ยความเหมือนความไม่เหมือนมาจากไหนฮะจากความยึดนี่แหละขนาดพระพุทธรูปเรายังยึดว่ามันเหมือนมันไม่เหมือนนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะเวลามันปรากฏเกิดขึ้นในแต่ละครั้งจริงๆพื้นฐาน จุดยืนเดิมก็คือว่างนะเดิมจริงเป็นว่างคข้งว่าชีวิตมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าพรหมนะพรหมมปริสัชชาพรหมมโปรโหิต า, ปาเป็นพรหมมีปีติเป็นพักษาหารจิตเนี่ยเมื่อวันยังไม่รู้แจ้งเนี่ยมันยังไม่คลอดคือยังไม่เกิดวิปัสนาญาณเนี่ยจิตนี้มันจะเบา มันจะเบามันจะลกูกจะโปรงแต่ขณะเดียวกันมันมีปีติเป็นพักษาหารมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตนะคนไหนปฏิบัติทาได้แบบนี้แสดงว่าอยู่ในชั้นผอมละเป็นผอมเพรเาะว่าถ้าตายขณะนั้นก็กลายไปเกิดเป็นพระอนาคามีนะ่อยู่ในศัตสุทธทาวาสนะสุทธาวาสจะมีห้า มีนี่เขาเรียกว่าวัดป่าสุดทาวาสเนี่ยวัดป่าอาวาสของผู้มีความบริสุทธิ์อาวาสของพระอนาคามีเราอาศัยการระลึกรู้เนี่ยพยายามระลึกรู้เอาทำให้มันสงบมันสุขเอาความสุขเป็นที่อยู่เอาพรหมนะมาเป็นที่อยู่สภาวะที่เป็นพรหมจิตมีเมตตามีกรุณามียุติรอุเบกขาต่อผู้อื่นในขณะเดียวกันก็มีความรู้ตัว นะปรากฏอยู่มีปีติมีปิติคืออุปทานนะ <c oughs> ปิตีคืออุปทานอุปทานขันนะมีความเอือบิ่มอยู่ในตัวแต่มันค่อย่ายึดนะอย่ายึดถ้ายึดเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วยึดมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ยึดว่างก็อย่าไปยึดสนุกก็อย่าไปยึดมันมีปีติมีความเอือบิ่มเอือบิ่มขึ้นมาก็อย่าไปยึดมันนะ่ะ ถ้ยึดเอาเมื่อไหร่เป็นทุกข์เพราะเมื่อนั้นนะ่ะเป็นทุกข์เมื่อนั้นเราก็อยากทําให้มันมียิ่งยิ่งยิ่งยิงขึ้นไปอีกสัหน่อยเดี๋ยวเราก็เบื่อละเวลามันเกิดเนี่ยนั้นเบื่อก็ไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอามันมาปุ๊บเอามีอยู่แต่ใจรักมองดูว่าเมื่อไหร่มันจะ อ, อันนี้จังวะถ้าเราไม่สนใจนะมองดูคนนี้เมื่อไหร่มันจะกลับบ้านวะมันมาท่านไหนก็ปล่อยมันกลับไปทานนั้นเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านวะเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านวะ มันยังไม่กลับมันว่าขอกินข้าวก่อนมันที่สิบเอ็ดมันยังอยากกลับอ๋อดูมันเฉยเนี่ยดูมันเฉยเมื่อไหร่มันจะกลับบ้านถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนไม่มีธุระนะเวลาเราคุยกับมันก็คือคุยแบบคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องไปเราจะไม่มีการขอร้องขอร้องว่าให้อยู่นะให้ไปนะอืมันเป็น ธรรมชาติของปัญญานะของคนอันนี้ที่จะมองออกที่จะดูออกว่าเอาอย่างไงคนในรู้จักสัจจะมากคุณธรรมก็บังเกิดขึ้นกับจิตตัวเองมากอยู่กับปัจจุบันได้มากหลวงปู่หลุยเนี่ยไปท่านไปเทศน์ในวังไปอะอยู่บ่อยๆนะแต่ตัวท่านเองเนี่ยไม่มีไม่มีแ ม, ม, ม, ม, ม้กระทั่งวัดอยู่จนตายจนพระเจ้าไปดิน ทำเจดีให้วาดรูปเจดีออกแบบออกอะไรให้เพราะเคารพท่านเป็นพระเถระมหาเถระปัญญาเยอะนะแต่ไม่มีวัดอยู่พระดีรา่มีวัดอยู่พระดีไม่มีวัดอยดดู่วัดดีวัดดีๆก็จะไม่มีพระอยู่วัดดีไม่มีวัดพระอยูย่ทาไมไม่มีเนี่ย บันที่มันดีคือมันสงบสง่มันสงบมันเงียบเพินไปไม่มีพระปลอมอยู่นะ น, นะไม่มีพระปลอมที่อยู่ไว้วัดวัดจริงไม่มีพระปลอมอยู่วัดพระจริงนี่นี่เพราะจริงจริงไม่มีวัดที่เป็นสมมติอยู่ในตัวเองหลุดหายหมดนั้นทำยังไงก็ได้ที่เราจะเกิดสติเกิดปัญญา แสวงหาข้นขวายเพื่อให้เป็นให้มีให้ถึงซึ่งความเป็นอนัตตาที่อยู่ในใจเราเนี่ยทำไ้มันจิงจะเป็นอนัตตาได้ทำไงมันที่จะเป็นอนัตตาได้อนาตามัน ค, คือไม่ทุกนั่นแหละไม่ทุกเราไปอยู่ตรงนันมันไม่ทุกไม่อยู่ได้อยู่ได้คือเรามองทุกอย่างที่ปัสจที่เวทนาเป็นศูนย์มองว่าเป็นศูนย์ ศูนย์ไปว่าว่างศูนย์ไปว่าไม่มีมันมาแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ผ่านไปมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดผ่านเกิดผ่านนะกลายเป็นศูนย์หมดนั้นเจ้าทุกข์มาจากไหนเนี่ยถ้ามันกลายเป็นศูนย์เนี่ยถ้ามันบวกมาลบมีคุณมีค้าขึ้นมาโอ้มันก็ไม่สุขแล้วเนี่ยมันก็ยืดยาวนานเราก็เริ่มหาทุกข์ใส่ตัวละหาทุกข์ใส่ตัวหาสุขใส่ตัวหาชั่วใส่คนอื่น เฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะคนนั้นอันนี้เป็นนี้เพราะคนนี้แหนจิตเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มหาสุขใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนี่นั่นจะให้มันเป็นเอามันเป็นมองณปัจจุบันนั่นแหละรูปเวทนาสันยาสักขันวิญญา ณ, ญญาณเห็นไตรลักษณ์ปรากฏอยู่ในทุกขันขันไหนก็ตามที่จะกลายเป็นรูปเป็น รูปเป็นความยึดมัน่นรูปของรูปรูปของเวทนารูปของสัญญารูปของสังขารรูปของวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นมีอันนี้จังอนาต่าเป็นพระห้อยคอยเป็นเหรียญห้อยคอกันทุกกันยึดมัน่นถึงมันอยู่ว้าความทุกข์มันไม่มีเราสังเกตดูนะปัญญานั่นแหละคือปัญญาไนะตรลั ก, กษณปรากฏอยู่ในจิตเราเนี่ยมีความสบายมีความสบายอยู่ด้วยอันใส่ใจนะ และลึกรู้ความในลึกลูกตัวทำให้มันตั้งมัน่นความตั้งมั่นของจิตมันก็จะไม่มีอดีตนะความตั้งมั่นของจิตก็จะไม่มีอนาคตอดีตไม่มีอนาคตไม่มีเหลือปัจจุบันล้วนๆมันก็ไม่ทุกนะชีวิตเนี่ยมันไม่ทุกที่เกิดจากอุปาทานขันแต่มันทุกที่เกิดจากธรรมชาติ ของร่างกายของสังขารของขันของอมันก็ทุกธรรมชาติมันอันนี้เป็นวิบากแต่ทุกท่านจิตเนี่ยอืมเราถอนอุปท า, านออกอย่างที่เราสวดนะอาสวหยจิตตานิวิมุตจริงสูติอาสวะจะอยู่ไม่ได้อุปาทานอยู่ไม่ได้อาสวะอยู่ไม่ได้เพราะมันอยู่ได้เพราะความไม่รู้ เมื่อไหรก็ตามที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวต่อเนื่องเข้ามารักษาชีวิตเรารักษากายรักษาจิตอยู่นี้ปุ๊บเป็นเหมือนทหารนะมันเกิดตรงไหนล้วก็รู้ตรงนั้นก็ดับตรงนั้นมันมาเกิดตรงขากิดดับตรงขาเกิดตรงตาตรงหูตรงความคิดตรงอารมณ์เกิดตรงไหนดับตรงนั้นนะถ้ามันมีความเกิดความดับตั้งมั่นอยู่แบบนี้เนี่ยทุกมันไม่มีนะทุกมันไม่มาเกิดสัจธรรมมันมีปรากฏอยู่เรื่อยๆดี้ดิ ชีวิตนี้ก็มีความสบายหายวิตกกังวลหายทุกข์หา ย, หายอดีตหายอนาคตหายความความน้นหมายในตัวเราในของเราในของของเราไม่เอาไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็ น, ไ ม, ปนไม่มีนะเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยรยละลึกตัวหนึ่งรู้จะเป็นนิสยัยรู้จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนั้นเนะี่ยไม่จํากัดพื้นที่ละจะยืนก็เป็นธรรมชาติรู้ไปนี่เดินนั่งนอนก็เป็นธรรมชาติรู้ การรู้ธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติมันกันคือรู้ทำรู้ทำรู้ทำนะนั้นถ้ารู้ทำเห็นทำเข้าใจทำก็จะอยู่กับทำกินนอนกับทำเป็นหนึ่งเดียวกับทำเอา้าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานเนี่ยเป็นก้อนธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วทีนี้เป็นธรมนธรมชาติาาาธรรมชาติเอ้าทําไมทุกข์จังเอามาเป็นธรรมชาติมันทําไมง่วงเอ้าธรรมชาติมันเบือ่อทุกอย่างเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติแห่งอนัตตานะ แต่ทำไมเฮ้ยธรรมชาติของกูกูเป็นอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรกูเรื่องของกูอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่เราถูกเราไปปรุงแต่งมันขึ้นมาอย่าไปปรุงมันอย่าไปแต่งมันอา้าวกลับละ